สมผม่าจาลีดังไหาสมผมมาจาลี สาธยได้มาการมกเรืองงดอาศมวันนับปหลัดสาสมสัญญาสีตามไหวของอริยหวงตาอยู่ในอามสัญญาสีอาศัยผู้อื่นอยู่ให้ไร็ใช้ไม่เปลี่ยน ให้เป็นเฉพาะกายเฉพาะใจอันนี้แน่นอนที่สุดสิททิร้0อแต่ไม่ให้ผิดให้พลาดเราได้เกิดทันคำสอนพระพุทธเจ้าเรามีรูปมีนามได้นำเมารูปอนามนี้มาปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างไม่มีอะไรขวางกัน รูปก็อยู่ที่นิ่งน้ำก็อยู่ที่นิ่อันนี้สิทธิพิเศษเราได้นํามเอาคำสอนว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ทำตามนั้นนั้นจะมีการเกิดขึ้นของบุคคลชีวิตคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าอากสามัญชนได้ศึกษา ได้พบได้เห็นของเท็ของจริงที่เกิดขึ้นกับปูกมนามนี่นานๆจะมีผู้บอกผู้สอนอย่างนี้่าสมัยนี้ก็ยังมีผู้ขี้เกิชขี้วัดให้อย่างชัดเจนอยู่เช่นเจ้าคุณพุทธทอดรือเจ้าคุนผมคุณนา ปวดหอหลายมีหลักเี้ถนมีสิ่งที่เห็นกันอยู่เป็นเทศเป็นจริงอย่างไรเรานำมาปฏิบัติวา น, นั่นเป็นภายน อ, อก <c oughs> ตัวเราแต่ควรจะมาเป็นตัวอย่าง ส่วนที่อยู่กับกายกับใจกับรูปความนามเหล่านี้ก็มีให้เห็นอยู่เพื่อนขนาดนี้กับรอนหนาวเป็นสูตรที่ศึกษาได้ไหมความหนาวทำอย่างไรที่เกิดกับรูปหรือว่ามืดหรือว่าหนาวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์อะไรไม่ถูกทั้งหมดมันมีความถูกอยู่ เกี่ยวกับความหนามีเพิ่มถูกเกี่ยวกับกวมร้อนถ้าเราใช้หลักการปฏิบัติสัมผัสทั้งรูปทั้งนามมันมีทั้งรูปทั้งนามแต่รูปก็ส่วนหนึ่งนามก็ส่วนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดกับรูปโดยเพราะนามมาทำเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดกับรูปนี่ มันมีศาสตร์มีศิลมีสิ่งที่จำได้ลงเงินอะไรสิฮะและการปฏริบัติพอดีไหม นามเพื่อใช้ให้ให้หมันสำเร็จประโยชน์รูปทานามทำาอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ในส่วนรูปนามก็ทำให้เกิดประโยชน์ในส่วนนามไม่ให้เป็นทุกข์เป็นโทษได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ลูกใพ้นามก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้เอ่อ รูเป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์พอพัดภาคจากของเราของชอบใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจความไม่สบายใจความขัดแย้นใจก็เป็นทุกข์พัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ถูกความทุกข์ยางเอาแล้วถูกความทุกข์เป็นเบ้าหน้าแล้วผ่านนั่นนะ ถ้าเราไม่รู้จักเนถึงที่สุดเกิเจ็บเจ็บตายหมดสุดยอดของุกข์ทมทุกข์ mm. ส่วนลูกส่วนนามส่วนตัวก็มีเกี่ยวกับตัวเองก็มีกับคนอื่นก็มี mm. เป็นทุกเป็นทุกเราจึงไม่น่าจะทิ้งเรื่องนี้มันไม่มืดบอดเช่นนั้นเสมอไปชีวิตของเรา มันมีคำสอนมันมีวิธีปฏิบัติต่อจิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปของนามมันก็เหมือนกันหมดมันมืดเสมอไปมันมีแสงลิบปลี่แบกขอกมออกไปแบกออกไปดูมันจะเจอขนทางทือพ่วงขวางเหมือนพระพุทธเจ้า โดยเทศนาวัุมเทศดารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้ในหลักของมจริงคืออริยสัจมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่น น, นี้เกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่กําหนดรู้ส ม, มุทัยเป็นสิ่งที่โตละ ในโรกเป็นจิที่ทำให้แจ้งมักคือทำไม่เจริญว่าใช่ให้มันเป็นดุ้นเป็นก้อนอยู่ศึกษาลงไปดูแล้วศึกษาลงไปเราดูเห็นตามก็เป็นจริงมีปฏิวัต 3, 100, 12, ิสามมีอการ12อเกี่ยวกับสิบหนอนี้วิธีปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นความพูดไม่ใช่เป็นการคิดเป็นหลักปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นทุกต่อสิ่งที่ทำให้เหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นเช่นายวิธีปฏิบัติก็มีชูให้เห็นอยู่ มีสตีเป็นกายอยู่เป็นประจำเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรในกายอะไรไม่เกิดอ่าไปกบเกื่อนตูเห็นตามความเท็จของความจริงเห็นกายจัว่ากายไม่ใช่สัตว์อุคตนตัวตนโลกเขาสอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกบาง มันมีโลกมัมีเหนือโลกความพอใจและความไม่พอใจมเป็นรถของโลกโอนหลบเบอให้เห็นอย่าไปเป็นความพอใจเป็นอันหนึง่งความไม่พอใจเป็นอันหนึง่งให้เราอยู่เหนือขั้วนั้นในลูกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเ ก, กิบก่อย สิงมันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจสิ่งที่เหมืนอนควบคุมทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเป็นบันเหาซะเนี่ยหลักปฏิบัติเราจึงมาศึกษาให้เป็นนักศึกษาเป็นนักปริยัติเราเรียนรู้ มีหลักสูตรที่จาให้เราเรียนรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกา ย, ายกับใจภายในความหนาวก็เรียนรู้ความร้อนก็เรียนรู้ความหิวก็เรียนรู้ความอิ่มก็เรียนรู้มาให้เป็นดุนเป็นก้อนเรียกว่าตีตกขณะปลิงหยาแยกแยะ ความร้อนเป็นร้อนความหนาวเป็นหนาวความหิวเป็นหิวความสุกเป็นสุขความทุกข์เป็นทุกข์มันเป็นดุ้นเป็นก้อนเมื่อมันเป็นดุ้นเหมือนก้อนมันก็ทําให้สัมผัสเจ็บปวดหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธทุกข์เป็นทุกข์มันจะเป็นเช่นนั้นอยู่หรก ตลอดตายคอยรับทุกข์ับโทษสิ่งเจ็บนนเกิดกับกายกับใจเอามาเป็นฉุกมาเป็นทุกข์ไม่จุกไม่สิน้นหลงที่ใดก็เป็นหลงทุกทีโกรธที่ใดก็เป็นโกทุกทีทุกที่ใดก็เป็นทุกทุกทีนั่นหมาโลกอยู่กับโลก เราจึงมาเห็น เ, เห็นเหมือนเหมืนเราเห็นงูเหมืนจึงพ่นจอกกูโดยเพราะสตินี่ไม่จนเลยสตินี่เป็นชีวิตที่ไม่จนชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่เป็นเหมือนนี่สติปัญญาเพื่อเป็นสิ่งประดับที่อยู่ใน รูปในนามนี้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสติอินทรีย์ตัวใหญ่มีอำนาจมีอำนาจมีความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเป็นเจ้าของรูปเป็นเจ้าของนามเมื่อเป็นเจ้าของแสดงสิทธิปกปักรักษาความเป็นเจ้าของคือสติ ปัญญาที่มีในการในใจมันสำเร็จเป็นมากเป็นผลไม่เหมือนเราเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งของเราเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งของมันก็นก็แบ e <c oughs> ่งล้วก็เปลี่ยนกันใช้ไม่จริงเปลี่ยนกันใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงแต่เจ้าของ กาเจ้าจของใจเป็นเจ้าของกิง่งตติเป็นเจ้าของกิงมีกายก็ใช่กายสําเร็จประโยชน์ไม้เป็นทุกข์เป็นโทษมีจิตมีใจก็ใช้จิตใจเป็นประโยชน์ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษมากมายหลายอย่างที่เกิดกับกายกับใจที่เป็นการกระทําหรือว่ารูปทำนามทำถ้าเราไม่เป็นเจ้าของก็ เป็นรูปทํนาน้อมทําแต่มันทําไม่ถูกไม่เป็นธรรมเป็นมือห้านิ้วฉีบนิ้วปานมอือปืนกับมือห้านิ้วสีนิ้วไปเข็นไปฆ่ามันก็เป็นรูปที่ทําไม่ดีรูปทมที่เป็นรูปทําดีมันก็ทำความดีมือห้านิ้วฉีบนิ้วมัอนอาจจะจอดท่านถามเมื่อวานนี้ว่าพาไป ใครปูกชอบปลาไปเลยว่าหลงพ่อเนี่ลูกแ <c oughs> อก็มีก็เป็นอย่างนี้ไม่เฉพาป่าไปลูกมันทมดีเป็นประโยชน์่อแผ่นดินนางมันทาดีบอกความเท็จความจริงแต่นี่ไม่เป็นวัตถุไม่เป็นวัตถุที่เห็นได้ วความหลงไม่จริงนะความไม่หลงมันจริงถ้าคนไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่สำเร็จถ้ามือห้านิสินิ้วที่ทำเป็นวัตถุ ก, ก็ทำได้ตามสมมติบัญญัติที่เป็นความดีเพราะฉะนั้นจงึงอาศัย บอกอาศัยพูดให้ฟังจะพูดให้วังจะบอกมีใครทตาตดมไม่ทําตามก็ขอทําหน้าที่เรื่องนี้วความหลงไม่จริงนะความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บไม่จริงไม่ต้องเป็นทุกขก์ความเจ็บ ไม่ต้องเป็นทุกข์ความเก็บไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความตายมันมีมาทําได้สติปัญญานี่มันไม่ถูกอะไรทับถมได้เลยถ้าเราฝึกหัดเป็นศาเป็นศิลได้เหมือนวัตถุสิงของหายใจไม่ได้เอาเงินเท่าไหร่มาจ้างให้มันหายใจไม่ได้ มีไม่ได้วัตถุยึงของใช้งานไม่เจ็บฝึกตนสอนตอนทำอย่างไงเกี่ยวกับบานเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเจ้าของไม่ได้แก่ผู้มแก่ไม่ได้เก็บผู้บำเจ็บไม่ได้ตายผู้บมตายความเป็นเจ้ า, า, จ า, จ า, า, า, า, าของวกวเป็นชีวิตเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เห็นกายในกาย ศาสาบอกว่ า, าวไม่ใช่สัตว์อกุนทุตุนโลขั้วหรือเราปฏิบัติเห็นมันหลงไม่ได้เป็นผู้หลงเห็นมันถูกไม่ได้เป็นผู้ถูกเห็นมันสุขไม่ได้เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันก้าวไปจากนี่แล้วมันเป็นอะไรล่ะมันเห็นมันสุข มันจะเป็นผู้สุขมันอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรเห็นมันทุกข์มันจะเป็นผู้ทุกข์มันคืออะไรตรงนั้นอ่ะปฏิธรรมดูปฏิธรามดูจะจะรู้สึกว่ามีชีวิตขึ้นมามันได้ชีวิตตรงนั้นชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ใช่เพื่อไปเป็นอะไร เความสุขเอ้าควาสุขความทุกข์ตามปิ้งตามมันเป็นคู่เหมือจบไม่สิน้นมันจึงอยู่เหนือเหนืออย่างนั่นนี่คือชีวิตชีวิตไม่ใช่เดินได้ไม่ใช่ตถวโน้นทถวนี้ได้ชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรเป็นเครื่องมือการเดินการยืนการนัานการรลองการถกขารคิดเป็นเครื่องมือสําหรับมาใช้ให้มีชีวิต ต่อยอดตนชีวิตมันหนาวเห็นมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวนี่คือชีวิตมันหิวเป็นผู้หิวเห็นมันหิวไม่เป็นผู้ ห, หิว ม, ม, มันอิ่มเห็นมันอิ่มไม่เป็นผู้อิ่มนี่คือชีวิตชีวิตมันเกิดไปอย่างนี้ชีวิตที่เหนือการเกิดเจ็บอยากตายต้องหาตัวเองต้องสมผหาตัวเองต้องถึงเอง ต้องมีเองในความเย่ไมีควมไม่เแย่อเองทาไม่หัดทําไม่เป็นในความเจ็บไม่ควมไม่เจ็บทำอเองมันมีอยู่ในความตายไม่ควมไม่ตายทําเองเกิดชั่วชิชั่นาญมาพร้อมกันในเาระเดียวกัน เช่นเราหัดในความหลงในความไม่หลงมาพร้อมกันในขาวเดียวกันแล้วก็ให้หลงเป็นหลงน า, นานเท่าไหร่หัดดูในสติเป็นที่ตั้งเป็นกรรมาฐานเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แบกมาหาความรู้ได้มือห้นี่มือเคลื่อนไหวอยู่นี่ อะไรที่มันเกิดขึ้นมาลูกกับบาหนี้ได้ทั้งหมดเรียกว่าที่ตั้งของการกระทำเป็นกรรมที่ให้ผลมาไดเป็นดีได้มาถึงตัวนี้เป็นดีได้เป็นถูกมาถึงกลวงมรู้จักตัวที่ได้นี่มันก็จบลงได้สุดลงได้ ควมทุกข์วมทุกกดสุดลงที่ลูกควมหลงก็สุดจบหลงที่ความรูกควมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจก็จบหลงที่ความรู้สึกตัวเนี่ทำไว้ทุกชีวิตแต่ไม่ค่อยจะทํากันก็ไลยหลงเป็นหลงเียอ์สูงขหลงทุกข์เป็นทุกข์กียอ์สูงขึทุกข์ไม่ดูจักมืดบอดตื้อด้าน เดยตรงหน่เมืแต่ความคิดก็ยางด้านจานได้กวาคิดคิดอยู่ด้านคิดขึ้นมาก็ทำไมเป็นทุกคิดแบบกัดตอดตัวเองชั่งคิดอยู่ดื้อด้านเป็นชีวิตที่ดื้อด้านชีวิตแบบปุถุเน่นหาทุกเป็นทุกสุขเป็นสุขหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธความคิดก็เป็นทุกขระความ เป็นทุกข์พวกความคิดเป็นสุขพวกความคิดจมปลอมชีวิตจมปลอมปล อ, มอกรวงสากความคิดเฉยๆก็เป็นสุขเป็นทุกข์เอาความทุกข์ไปห้อยไปแขวนไปกับความคิดเอาความสุขความทุกข์ไปห้อยแขวนกับปลากับใจกับรูปควานาม ลูกเป็นทุกข์ห้อยแขนก็เป็นทุกข์นาแต่ใช้เป็นฉุกเป็นทุกข์คอยให้ลูกบ่งการคอยให้น้ําบ่งการไม่ฝึกขัดไม่มีสติปาเถื่อนชีวิตป่าเถื่อนลูกปาเถื่อนปปอน้นํำปะเถื่อนลูกสมสอนน้าสมสอนเป็นโสเปนีกิจเป็นโสเปนีลูก โง่เพี้ไปไหนก็ได้สั่งให้กินทำอะไรก็ได้ร้อยที่สุดสั่งให้ฆ่าตัวเองก็ฆ่าโผก่คอตายปืนยิงตัวเองตายกินยาตายทำบายคนหนึ่งก็ได้โหอันตรายมากกอ้วถ้าไม่สอนมันเน่ยแต่เราก็เพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ยังเฉยอยู่เฉย ว่าเฉยเหมือนหมาป่าหำเอ้ว่าหมาป่าหำไมภาษาอีสานหมาป่าห่ำนัน่งยย อ, อ, อยู่ห่ำย้อยต้ต้ยูก็ยังเฉยอยู่ตนะัวเองหลงอยู่ก็ยังเฉยอยู่ในความหลงถูกนนก็ยังเฉยในความหลงเหมือนห ม, ม, มาป่าหำไม่อกันทีทไปอ้างกันด้วย มึงไม่รู้จะกูโกรธเลยเนี่ ย, ยก็ังวานะกูแล้วกูได้โกรธตายไม่เดืมนะผ่นนั้นก็มีแล้วกูได้โกรธกไป่ด่ามันก็ไม่ยอมรีบที่ไปไหนนะไม่หญยีไปได่านี่นะ้วไม่จงรีบกลัมันจะหายโกรธจะไม่ได้ด่ากันนะรีบนี่ไปทำ ค, ความโกรธความโกรธทำให้รีบรนวิ่งไป ร้นปุงแต่งทำอะไรก็ได้เงือบบ่ไปจำหัวเมียโก้ที่กันก็จำกันไม่ได้ระงายโก้หลกอีกกันถูกความโก้หลกแล้วหลกองไม่เข็ดไม่หลาบถูกความหลงหลอกแล้วหลอกเองถูกความทุกข์หลกแล้วหลกองก็ไม่เข็ดไม่หลาบไม่น่าจะมืดอยู่เช่นนั้น มาทำกรรมฐานกันให้เป็นกระแสสักหน่อยเออข้างหนึ่งเคยยกมือสรางใช่ว่าลู้อยู่นี่เวลามันเกิดแล้วคืมันกรรมมาลู้อยู่เองมันอาจจะคั่วได้หรือว่าตกกระดพลอยกระจูได้ถ้าไปฝึกเงทอกเลยกับมืดปอดไม่ดูทิศลู่ทาง เมื่อในความหลงเมื่ในความทุกข์เมื่อแในความสุขปิดหูปิดตาไม่เห็นอะไรที่หมือนเหนือกว่านั้นเห็นคนเป็นหมูเป็นหมาไปก็มีกินข่ากันได้ทําบายกันได้แต่เรามาเห็นชีวิตจริงๆมีชีวิตจริงๆน่ยอะไรก็คือชีวิตทั้งนั้น เหมืนอนหลวเพ่อรูปหัวจินยา่าคนขี่หลังควายไปอยู่นะศาลาหน้ามองยา้ามองสัตว์มองคนเป็นนันเดียวกันมันคือชีวิตมันก็เกิดอยู่แผ่นดินนี่แผ่นดินนี้มีพืชมีสัตว์มีชีวิตขึ้นมามันก็นมีรูปมีนาม เมื่อมีรูปว่ามีอะไรเกิดอยู่ขึ้นกับรูปเรียกว่าวัตถุอาการวัตถุอาการที่เกิดกับรูปนี่วัตถุคื อ, อลานี้หนหนาววัตถุสัมผันกับรูปอาการเกิดขึ้นเกิดหนาววัตถุอาการเกิดขึ้ น, น, น, า ก, านกับรูปเรียกว่าวัตถุอาการ มีสมมุติวนหยัดประมัดสัจจะที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับเรืมตามีมหูมีจมูกเปลิ้นมีกายมีใจเป็นวัตถุอาการที่เกิดขึ้นกับรูปถ้ามีสติก็เห็นความหนาวเป็นอาการที่เกิดกับรูปว่ามันมีรูปมันจะมีหนาว เรองฝนลมหนาวถูกกับลูกคนหนาวแสงแดดถูกกับลูกคนร้อนไม่มีอาหารในลำไส้ก็หิวเป็นอาการของลูกเป็นวัตถุอาการของลูกถ้าเห็นมันหิวเห็นมันหนาวว่าได้เป็นผู้หนาวเห็นมันหนาวเห็นว่ามันเป็นวัตถุอาการขอบคุณที่มันหนาวแทนที่เป็นทุกข์ เริมหิวก็เช่นกันอาหารไม่มีลำใช่กับเพราะก็หิวเป็นอาการของลูกถ้าไม่รู้จากหิวมันก็อันตรายเป็นความหิวเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับลูกไม่เป็นทูกมันฉลาดบอกคนความหิวด้วยถ้าหิวเป็นก็แสดงว่าสุขภาพดี ร้อนเป็นหนาวเป็นเรียกว่าธรรมชาติผลโกดธรรมชาติของเหมือนตามควมเป็นจริงนี่เป็นอาการเกิดกับลูกถ้าเกิดกับจิตความโกรธเป็นอาการเกิดกับจิตไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสมมติบัญญัติความชอบไม่ชอบเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมรัตา จ, จักร สมมติเอาต่างกันบางจริงบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนโกรธในสิ่งที่เขาโกรธบางคนไม่โกรธบางคนทุกข์ในสิ่งที่เขาทุกข์บางคนไม่ทุกข์บางคนมีความสุขในสิ่งที่เขามีความสุขบางคนไม่สุขในสิ่งที่เขามีสุขแต่ใครจะสมมติเอาอันสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูกความามนี่ เต็มไปด้วยวัตถุอาการสมมติบัญญัติมากมายมันเป็นโลกชนิดหนึ่งเป็นก้อนไม่ว่ารูปโลกนิ่มโลกรูปทุกเนิ่มทุกรูปสมมติเนิ่มมมติรู ป, รปมมมมมมบัญญัตินิ่มบัญญัติบัญญตัติแน่นหนาถ้าเราไปเห็นตามความเป็นจริงบัญญตัติ เต็มไปเลยเป็นวัตถุก็มีเป็นนามธรรมก็มีสมมุติปัญญัติในเรื่องวัตถุสมมุติปัญญัติในนามธรรมเป็นตัวเป็นตนแน่นหนาถ้ามีสมมุติปัญญาตเต็มไปหมดก็มีแต่ความเกิดเจ็บเจ็บตายเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิ ด, ดับในสมมุติปัญญาตนั่น กิจ็บดับเจ็บเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีชีวิตชีวาเกิดตายเกิดตายไปเกิดเจ็บเจ็บตายเก็เจ็เจ็บตายอยู่ตายในความสุขตายในความทุกข์ตายในความโกรธตายในความโลภในความหลงตายในความพอใจตายในความไม่พอใจไม่มีชีวิตชีวาเป็นชีวิตที่อัพลอับจนที่สุดถ้าไม่ผูกขัดเท่าผูกขาดมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นมา อะไรพูดภาษาภาษาโคกโคกเห็นไม่เป็นอะไรที่เกิดกับกายกับใจมิจะเห็นไม่เป็นเห็นแล้วไม่เป็นไปกับมันเป็นผู้เห็นให้ได้เป็นภาษาโคกโคกถูกผิดไม่รู้แต่ว่ามันใช่ได้สาหรับส่วนตัวเห็นสุขไม่เป็นผู้สุขก้นจับก้มสุขเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ก้นจับก้มทุกข์ เป็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวคนจ่าความหิวเป็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนผู้จ่าความร้อนนี่คือชีวิตไม่เกิดไม่เก็ไม่เจ็บไม่ตายกับอาการต่างๆแล้วก็มีคนุณค่าขึ้นมาเป็นชีวิตที่มีค่าคุ้มค่าที่ได้รูปได้น้ำมาใช่รูปใช้น้ำอย่างถูกต้องอย่างมีประโยชน์อย่างมี ศาสตร์มีศีลมันมีแต่ใช่ไม่เป็นก็ไปสู่นรกเป็นเปรตสู่โลกา่ยใช่รูปใช่น้ำไปสู่มรรคสู่ผลมันมีรูปมีน้ำจึงมีมรรคมีผลมีทุกข์จึงมีไม่ทุกข์เหยียบมันบนทุกข์ขึ้นไปให้มันสูงมีหลงเหยียบโคมหลงลงไปมีทุกข์แท้แท้จึงได้เป็นพรธเจ้าพระเจ้านี่ยเป็นได้เพราะความทุกข์คนจักทุกข์ ความทุกข์เปิดปลีแล้วว่าใช่พ่นจากที่ไหนเหยียบมาบนโอกกุหลาบปลอยให้เดินมาไมที่เหยียบมุนทุกคนแล้วมีแตทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตอนนั้นหลับไปไม่ไม่ไมีอะไรที่ไม่มีมีสิ่งเหล่านี้เท่านั้นนั่นเห็น จริงๆเห็นเรื่องนี้ที่เกิดกับรูของนา้ามีสติปัญญาเห็นแต่ น, นี้นะเวลาเห็นทุกคือเห็นอะมันจะยิ่มยิ่มเห็นที่เป็นอะมันจะหนักหน้าบูดหน้าเบี้ยวเห็นไม่เป็นเนี่ยมันเบาเ บ, าบาเห็นมันทุกไปเป็นผู้ทุกคนจะกลมทุก เหนเหตุให้เกิดทุกข์ทำเหตุทันแล้วทําให้ได้แลว้วทําได้แลว้วไม่ทําเหตุท่านอีกแล้วมหนหลงไม่จึงในความเกิดวมโลกตัวเลา่าตัวใหญ่มาณดาขอ ง, ของคกุศลกับความหลงนี่แห ล, ละเวลาเราทํากรรมฐานฝึกกรรมฐานจะเจอเรื่องนี้ทันทีโหน้าตอตาเวลาเรารู้จึกตัวจะตรงเงินข้ากับความหลง เปลี่ยนหลงเป็นลูกได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกรู้สึกวันชอบมากเป็นการงานชอบที่ฉุดได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกได้เห็นหลงกับไม่กับมือกับตัวเราแท้ๆเลยเปลี่ยนเป็นลูกนี่หลงในความคิดเปลี่ยนเป็นลูกนี่ยไม่เคยเห็นความคิดตัวเองไม่เคยหยุดความคิดให้ความคิดเป็นความลูกไม่เคยทําเลยเมื่อมาเผากรมะถันเราเหมือนกับตื้อโล่น มาให้เราเปลี่ยนมาไล่ให้เปลี่ยนเป็นดีจีที่เกิดขึ้นกับความกับใจมาร้ายให้เปลี่ยนเป็นดีได้ทั้งหมดเลยในกรรมฐานนี่จึงศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราถ้าคนเราฝึกทำให้เป็นพระได้เป็นบุญเป็นกุศลได้เป็นพระได้เป็นมรรคเป็นผลได้ในรูปในนามนี่ได้ประโยชน์จาก่เราเนี่ยได้เห็นความคิด เปลยนคิดความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดมันคิดขึ้นมาเองนั่นนะความคิดตั้งใจคิดก็ไม่ควรจะคิดเวลาทาำกรรมฐานระวังไว้ก่อนเราจะเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจสมมติไทยสังขา์มันเกิดขึ้นมาแต่รู้เห็นมันสงขลนเป็นวิสังขา์การปรุงเป็นการหยุดปรุงความคิดเป็นกาน เดิมันคิดไปไมด้หรว่าเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขารเป็นทุกข์วิสังขารเป็นนิพพานไปด้กระแสไปเลยหรอกเปลี่ยนทุกข์เป็นไปทุกข์หนึ่งเปลี่ยนความคิดแต่ก่อมาเอาความสุขความสุขไปไปห้วดไปเขียนไปกับความคิดแล้วแต่ไม่คิดให้สุขแล้วแต่ไม่คิดให้ทุกข์อกว่าเอการอุปถโมภ์ตั จนตะโกนในหัวใจลึกๆว่าต่ อ, อนี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปคำว่าสุขทุกที่เกิดกับรูปกความนามจะไม่มีอีกแล้วว่าอย่างนี้คำว่าสุขทุกที่เกิดกับรูปกความนามจะไม่มีอีกแล้วมีกี่นะ้ที่ม่กี่ชาติก็ตามมันก็มีเช่นนี้ชีวิตของคนเราหรือว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ ผหลงรูนี่ทำได้ไหมมือที่เคลื่อนไปอยู่นี่รูไหมถ้าไม่รูจะค้อนไปตีให้มันรูทุกครั้งอนวุวานสอนโยมที่สลาหน้าหวานจากสุราธานีฝึกยังไงฝึกงไงก็เดินมาเดินเดินตัวให้รูตรงไหนไรูตรงที่ก้าวไปรูยังไงเอามือตีตีแขนไปเ 1, รื่อยก้าวหนึ่งลูตีแขน เอามือตีแขนเอามือตีแขนรูกเป็นข้างๆไปไม่ใช่รูปแบบรูปนอะเอามือตีออ เ, เอาจึงรูปอะไรยกมือทีเดีอามือข้อนตีมือทุกตีให้มันรูป <c oughs> อืไปเนาะร <c oughs> ูปเนี่ยรูปจากตัวเนี่ยรูปจากตัวมันมคืออไรน่ยสัมผัสได้มันมีอยู่ในกายด้วยที่้มีความรูปเป็นในกาย มันคิดกันมาให้มีคนรู้ไปในความคิด yeah. การฝึกตนสอนตนตามันคิดเป็นความคิดต่อไปไม่รู้ในกายไม่รู้ในจิตมาจึงมาพึงขาดกายในการพึงขาดจิตในจิตมีเท่านี้ไม่กะมีการวิจิตเท่านี้ระหว่านของกายคือวันเลื่อนไหว ก็คื อ, คอครู้นั่นแหละท ว, วังของจิตใจคือมันคิดคือ ค, อความรู้นั่นมันไม่มีมากตัวเหมือนพระกับมณานสอนว่าเหมือนมดแดงแต่กระดุงไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนมดแดงแต่กระดุงหรือปูแต่กระดุงมันจับต้นเข้ามาจับต้นนี้เข้ามาไม่ไม่ช่อย่างนั้นนั่งอยู่นี่คอยดูไปเิมีสติเป็นเจ้าของเป็นนายทวานบาน มันก็มีการมีใจท่านี้อะไรเกิดว่ายเห็นมันอะไรเกิดโดจิตใจเห็นมันรูกมันเรายินไหมอ <c oughs> <c oughs> เอาไปทำ ไ, ได้สมควรเชอเวลากับพระพรบกัน